เจริญพรท่านสาทุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิเป็นวันพระวันธรรมะสมานังวันฟันธรรมเป็นวันมงคลอย่างยิ่ง เอกหนึ่งวันเนื่องจากมีการกระทําที่เป็นมงคลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้กระทํากันนั่นก็คือการเลนะธรรมิสวานังเอรัมมังกัลมุตตะมังการฝังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะ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 ต่างๆให้หมดไปจากใจได้สี่ทำให้เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและห้าทำจิตใจให้ผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คือประโยชน์ห้าประการที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมตามหลัก ของการฟังธรรมที่ถูกต้องฟังอย่างไรถึงจะถูกหลักถึงจะได้ผลก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองกายวาจาที่สงบก็คือกายไม่ทำอะไรตอนนี้ร่างกายเราควรจะนั่งอยู่เฉยเฉยไม่ควรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะจะทำให้เรา ไม่มีสมาธิในการฟังธรรมกายต้องนั่งเฉยๆวาจาก็ต้องเงียบคือไม่พูดไม่คุยกันถ้ามีกายวาจาที่สงบ ก, ก็เรียกว่ามีศรรมีลแล้วใจก็ต้องสงบใจก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ให้คิดอยู่กับเสียงธรรม ที่เรากาลังได้ยินเพียงอย่างเดียวแล้วเราก็จะได้ดึงใจดึงธรรมะเข้าสู่ใจฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจถ้าเราทำอะไรกันคุยกันคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้กันฟังธรรมแล้วเราจะไม่เข้าใจเราจะไม่ได้รับปัญญาความรู้ความฉลาดเพราะ ใจเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับการฟังทรรมฟังแบบนี้เรียกว่าฟังแบบทับพีในหม้อแกงฟังไปกี่ชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าไม่ได้ยินทมไม่ได้เข้าใจทรทมที่ได้ยินก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไปเพราะร่างกายมัวแต่ไปทำอย่างสิ่งอื่น ใจก็ไปคิดเรื่องอื่นเลยไม่มีผู้ที่จะดึงธรรมะนี้เข้าสู่ใจถ้าอยากจะฟังให้เกิดผล<ม>เกิดประโยชน์ฟังแบบลิ้นกับแกงลิ้นนี้เวลาได้สัมผัสกับแกงเพียงหยดเดียวก็จะรู้รสของแกงทันทีว่าเป็นแกงจืดแกงเผ็ดหรือแกงหวานถ้าเราฟังธรรมด้วยใจ กายวาจาใจที่สงบทุกคําพูดของธรรมนี้จะเข้าไปสู่ใจของเราแล้วเราก็จะเข้าใจธรรมที่เราได้ยินได้ฟังทําให้เราหายสงสัยได้ในเรื่องต่างๆทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเรื่องที่เราสงสัยเรื่องที่เราไม่เข้าใจก็คือ เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องนี้พวกเราจะไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปเกิดใหม่ใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเพราะเราเห็นแต่ร่างกายส่วนเดียวที่เวลาร่างกายตายไปร่างกายก็จะถูกไป ชาปนักกิจเผากลายเป็นขี้เถ้าไปหรือถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินไปแล้วใครเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปใครจะเป็นผู้ที่ไปเกิดใหม่อันนี้ถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่เชื่อเรื่องของการเกิดใหม่ เราจะไม่เชื่อเรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปเราคิดว่าตายแล้วก็จบตายแล้วก็ศูนทํทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่มีผลตามมาทำบาปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลตามมาถ้าเราเชื่อแบบนี้เราก็จะไม่ชอบทำบุญกันเราก็จะชอบทำบาปกันเพราะทำบุญแล้วมันได้ประโยชน์ได้ความสุข ทำบาปแล้วมันก็ได้ความสุขเวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรก็ทำได้ทำบุญแล้วมีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลาไม่ได้ความสุขเราก็จะไม่เชื่อบุญแต่เราจะเราจะทำบาปเพราะเราคิดว่าทำแล้วไม่มีผลตามมาอย่างมากก็ติดคุกติดตารางเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราฉลาดเราเก่งกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเราก็อาจจะหลบหนีได้หรือถ้าเรามีเงินมีทองเราก็จะสามารถซื้ออิสลภาพได้คนสมัยนี้จริงไม่ค่อยชอบทำบุญชอบทำบาปกันเพราะเห็นว่าชีวิตนี้มีแค่ปัจจุบันนี้ต้องรีบหาความสุขจากสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตายไปแล้วไม่คิดว่าจะมีอะไรอีกต่อไปตายแล้วก็จะไม่ได้ทำไม่มีความสุขดังนั้นตอนนี้จึงต้องหาความสุขกันถ้าการหาความสุขเป็นการที่จะต้องทำบาป ก, ก็ยินดีที่จะทำกันเพราะอยากได้ความสุขกันยอมเสี่ยงกับคุกกับตาราง นะคิดว่าทำแล้วถ้าไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครมาจากเข้าคุกเข้าตารางกันนี่คือลักษณะของคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวเพราะไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งของเราส่วนที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนที่จะไปรับผลบุญผลบา ส่วนนี้เรามองไม่เห็นกันเราไม่รู้กันว่ามีหรือเปล่าส่วนนี้เราเรียกว่าใจใจผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นส่วนที่ไม่ตายไปกับร่างกายใจนี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายใจนี้อยู่อีกโลกหนึ่งที่เราเรียกว่าโลกทิพย์ใจนี้เป็นกายทิพย์ใจนี้มาติดต่อกับร่างกายด้วยการส่งกระแส มาเกาะติดอยู่กับร่างกายจึงทำให้ใจนี้สามารถรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ส่งความข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ใจที่อยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับที่สมัยนี้เขาส่งยานอวากาศ ขึ้นไปสำรวจดาวอังคารดาวยานอวากาศเขาก็มีกล้องมีไมโครโฟนไว้ถ่ายภาพไว้รับเสียงแล้วก็ก็ส่งภาพกับเสียงมาที่ผู้ควบคุมยานอวากาศที่อยู่ในโลกนี้<ม>นี่คือลักษณะเดียวกันใจผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไร ใจผู้ที่รับข้อมูลต่างๆไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพย์เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจจึงไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ใจนี้เป็นผู้รับผลของบุญของบาปที่ทำไว้เพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำบุญทำบาปแล้วพอสั่งแล้วแล้วพอทำแล้ว ก็จะเกิดผลขึ้นมาที่ใจถ้าทำบุญใจก็เย็ยนใจก็สุขใจก็สบายถ้าทำบาปใจก็ร้อนใจก็ทุกข์ใจก็วุ่นวายไม่สบายนี่คือผลที่เกิดจากการทำบุญทำบาปเนี่ยความสบายใจนี้เราเรียกว่าสวรรค์ความทุกข์ใจความวุ่นวายใจเราเรียกว่านรกเรียกว่าอบาย นี่คือผู้ที่รับผลบุญผลบาปเนี่ยไม่ได้สูญหายไปกับร่างกายถ้าทําบุญมากๆเวลาที่ใจกับร่างกายขาดการติดต่อกันใจที่มีบุญก็จะเป็นใจที่เย็นที่สงบที่มีความสุขตอนนั้นใจก็อยู่สวรรค์ชั้นต่างๆส่วนถ้าใจทําบาป ใจก็จะร้อนจะวุ่นวายจะหิวโหวยจะหวาดกลัวก็จะอยู่ในสภาพต่างๆเช่นอยู่แบบเปรตถ้าเปรตก็อยู่แบบหิวโหวยถ้าอยู่แบบอสุรกายก็อยู่แบบหวาดกลัวถ้าอยู่ในนรกก็อยู่ด้วยความเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่คือผลที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นทันทีไม่ได้รอให้เราตายไม่ต้องรอให้ร่างกายตายไปพอทำบุญปั๊บความสุขก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีพอทำบาปความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่ใจทันทีแล้วความสุขและความทุกข์นี้มันจะสะสมไว้เหมือนกับเงินที่เราไปฝากไว้ที่ธนาคารหรือที่นี่ที่เราไปกู้จากธนาคาร เรามีสองบัญชีมีบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้ <Ain> ถ้ามีเงินถ้าเรามีเงินฝากเราก็จะอบอุ่นใจมีความสุขใจถ้าเรามีเงินกู้เราก็จะวิตกเราก็จะ ก, กังวลเราก็จะหวาดกลัวเหมือนกันบุญนี้ก็เป็นเหมือนเงินฝากบาปนี้ก็เป็นเหมือนเงินกู้ <armies. S 1> ถ้าเป็นบุญก็จะเดี๋ยวก็จะได้ไป ไปเบิกมาใช้ได้ถ้าเป็นบาปก็ต้องไปใช้ใช้หนี้นี่คือเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดการตายแล้วไปสวรรค์หรือไปนรกไปอบายขึ้นอยู่กับการกระทาที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างวันนี้ญาติโยมมาสมาทานศีลห้าจมาทานเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ ละเว้นจากการกระทำบาปถ้าเราไม่ทำบาปเราเวลาที่ร่างกายตายไปเราก็ไม่ต้องไปอบายเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ได้ทันทีแต่ถ้าเรานอกจากไม่ทำบาปแล้วแล้วเราได้ทำบุญด้วยบุญก็จะส่งให้เราไปสวรรค์ก่อนสวรรค์ก็เป็นเหมือนที่ท่องเที่ยวนั่นเอง ส่วนภพของมนุษย์นี้เป็นเหมือนที่ทํางานเวลาที่เราทํางานมีเงินเราก็ไปเที่ยวกันพอเงินหมดเราก็กลับมาทํางานใหม่ชันใดถ้าเราทําบุญไม่ทําบาปในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ก็เท่ากับเรากําลังเก็บเงินเก็บทองไว้ไปเที่ยวพอร่างกายตายไปเราก็ไปเที่ยวในสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วพอเงินที่เราใช้ในการไปเที่ยวหมดเราก็กลับมาใหม่บุญที่เราใช้ไปพอมันหมดเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทำบุญทำบาปกันใหม่ถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราไม่ได้สมาทานศีลอย่างวันนี้เราสมาทานศีลถ้าเราไม่สมาทานเราไม่รักษาศีลเราทำบา บาปนี้ก็จะส่งให้เราไปใช้ไปใช้บาปใช้หนี้ในอบายอบายนี้ก็เป็นเหมือนกับคุกตารางนี้เองแบ่งไว้เป็นสี่แดนด้วยกันแดนที่หนึ่งคือพวกแดนของเดลฉานแดนที่สองก็แดนของเฟรตแดนที่สามก็แดนของอสุรกายแดนที่สี่ก็แดนของนรก ขึ้นอยู่กับบาปที่ทำมากน้อยหนักเบาถ้าเบาก็ไปอยู่แดนเดลฉานถ้าหนักขึ้นก็ไปอยู่แดนเปรถ้าหนักถ้าหนักมากขึ้นก็ไปอยู่แดนสุรกายและถ้าหนักที่สุดก็ไปอยู่นรกนรกนี้คือที่ไปของพวกที่ทำบาปหนะัก<ม>เช่นทำอนันตาริยกรรมคืออะไร คือข่าพ่อข่าแม่ข่าพระาอารหันต์ทำให้พระพุทธเจ้าห่อเลือดยุยมให้สงเกิดความแตกแยกผู้ที่ทำบาประดับนี้ตายไปจะต้องไปติดคุกในแดนของนรกนี่คือสิ่งที่พวกเราจะไม่สามารถรู้<ม>เห็นได้ถ้าเราไม่ได้มาได้ยินได้ฟัง เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ได้เห็นสวรรค์ได้เห็นนรกได้เห็นแดนต่างๆในนรกได้เห็นสวรรค์ชั้นต่างๆในสวรรค์เพราะพระพุทธเจ้าท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านนั่งสมาธิท่านเจริญปัญญาจึงทำให้ตาในที่มืดบอด สว่างขึ้นมาตอนนี้ตาในของพวกเราคือตาทิพย์ของพวกเราที่อยู่กับร่างทิพย์นี้มันบอดบอดด้วยอะไรบอดด้วยโมหะอวิชชาคือความหลงความไม่รู้จึงทำให้เรามองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นเหตุที่ทำให้เราไปสวรรค์คือบุญ มองไม่เห็นเหตุที่ให้เราไปอบายไปนรกคือบาปแต่ถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราก็จะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้แล้พระพุทธเจ้าก็จะสอนให้เรามาเปิดตาในกันมาเปิดตาทิพย์ของเราให้สว่างขึ้นมาด้วยการมารักษาศีลแล้วก็มานั่งสมาธิกัน ถ้าเรานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ตาในของเราตาทิพย์ของเราก็จะสว่างขึ้นมาเหมือนกับที่เราอยู่ในที่มืดพอเราเปิดไฟปับ๊บที่มืดนั้นก็สว่างขึ้นมาทำให้เราเห็นต่างๆที่มีอยู่ในที่นั้นได้แต่ถ้าเราหาสวิตช์ไม่เจอเปิดไฟไม่ได้เราก็จะมองไม่เห็นอะไรที่อยู่ในที่นั้น ฉันใดใจของเราตอนนี้ก็ถูกโมหะอวิชชาความหลงความไม่รู้นี้ปิดตาไว้ทำให้เราไม่สามารถเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทิพย์คือไม่สามารถเห็นสวรรค์ชั้นต่างๆไม่สามารถเห็นอบายระดับต่างๆได้แต่ถ้าเรามีศรัทธาหลังจากที่เราได้ฟัง คำสอนของพ่อพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติไปรักษาศีลกันไปนั่งสมาธิกันจเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธกันเราก็จะสามารถเปิดสวิตไฟของตาทิพย์ของเราได้เราก็จะตาเราก็จะสว่างขึ้นมาทำให้เราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นอสุรกาย เห็นเทวดาเห็นอินพรงเห็นทางไปสู่พระนิพพานกันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรู้ได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็นามาสอนพวกเราเพราะรู้ว่าถ้าไม่สอนพวกเราก็จะไม่มีวันจะรู้ได้เพราะพวกเราเป็นคนตาบอดที่ไม่มีวันที่จะเห็น อย่างที่คนตาดีเห็นได้ท่านถึงต้องมาสอนให้เรามาเปิดตากันเปิดตาให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่คนตาไม่บอดเห็นกันถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเกิดศรัทธาความเชื่อลองนำเอาไปปฏิบัติดูลองไปถือศีลแปดดูลองไปนั่งสมาธิดูรับรองได้ว่า เดีวตาในเราก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราจะไม่สงสัยในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นทรงรู้ทรงนํามาสั่งสอนว่ามีจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่คําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีมากมายถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันแต่คําสอนทุกคําสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นมีผู้ที่พิสูจน์ แล้วคือภาษาวกทั้งหลายภาษาวกก็คือพวกเรานี่แหละที่หลังจากได้ศึกษาได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพทธเจ้าแล้วก็เกิดศรัทธาความเชื่อน้อมนําเอาไปปฏิบัติทําบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมถ้าเราปฏิบัติทำขั้นต่างๆเหล่านี้ได้เดี๋ยวตาในของเราก็จะเปิดขึ้นมา จะสว่างขึ้นมาจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดเห็นทางไปสู่การซึ่งสุดของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราก็จะเดินไปในทางที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเกิดดีขนาดไหน รวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนก็หนีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้หนีความทุกข์จากการพัดพรากจากกันไม่ได้อย่างพวกเราขณะ น, นี้เรามีความสุขกันเราอยากจะทำอะไรเราก็ทำกันอยากจะมีอะไรเราก็หามาได้แต่ต่อไปร่างกายเราก็จะต้องแก่นางกายจะต้องเจ็บแล้วก็จะต้องตาย ตอนนั้นเราจะไม่สามารถหาความสุขต่างๆที่เรากําลังหากันได้อยู่ในขณะนี้แล้วเราก็จะต้องทุกข์กันเศร้าโศกเสียใจกันซึมเศร้ากันถ้าเราเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดเราก็จะไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็จะพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคือเดินไปทางที่ นำเราไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราต้องถือศีลระดับของนักบวชคือต้องถือศีลแปดต้องยุติการหาเงินหาทองยุติการใช้เงินใช้ทองไม่หาความสุขจากการใช้เงินไปเที่ยวไปซื้อของต่างๆจะมาหาความสุขจากการมาทำใจให้สงบ เพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้แหละเป็นทางสู่การหลุดพ้นจากการที่เราจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะตัดความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้พอเราไม่มีความอยากที่จะได้อะไรจากโลกนี้แล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีก เราก็จะหลุดออกจากวัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งต่างๆที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันตอนต้นฟังเพื่อให้เรารู้เรื่องราวต่างๆที่เรายังไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไร เราก็นำอาไปปฏิบัติเอาไปทำกันรู้แล้วว่าเราต้องสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไปบวชกันไปรักษาศีลกันไปนั่งสมาธิกันไปฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญากันถ้าเราสามารถทำได้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไปสู่พระนิพพานกัน ที่ที่ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้ากัน<ม>นี่คือ<ม>สิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยกันทุกคนถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อ<ม>ถ้าเรามีความขยันหมั่นเพียรความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมีความอดทน ที่จะฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้รับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่เราจะได้รับกันต่อไปคือไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไปอยู่ที่พระนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดที่มีแต่ความสุขที่ถาวร ที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เข้ามาแทรกมาปนเลยนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งขอให้พวกเรามันเข้าวัดบ่อยๆอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งครั้งเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมแล้วมาปฏิบัติตามคมสอนของพระพุทธเจ้า แล้วจิตใจของเราก็จะค่อยเจริญโตบโ ต, ตขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทวดาจากเทวดาเราก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะไปเป็นพระอริยเจ้าไปเป็นพระอรหันต์ตามลำดับต่อไปเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าเราปลูกแล้วเราเหมั่นรดน้าพลวดินอยู่เรื่อย ต้นไม้ก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตไปตามลาดับตอนนี้เรากำลังมาปลูกต้นไม้คือปลูกใจปลูกต้นนิพพานกันปลูกไว้ที่ใจของเราด้วยการทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการฟังเทศฟังธรรมถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้นไม้ของเราคือพ่านานิพพาน ก็จ ะ, จะเจริญเติบโตงอ่งงามออกดอกออกผลให้กับเราทำให้เราไม่ต้องกลับมาทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในวันพระเพื่อมาทำความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบเมื่อฟังแล้วดูแล้วว่าต้องทำอะไร ก็นำเอาไปทำเมื่อทำแล้วผลก็จะปรากฏตามมาคือความสุขที่ถาวรความดับทุกข์ที่ถาวรที่จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะรัตนตรยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์